พระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานพระพุทธเจ้าตัดพูดคําสุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆราอัปมาเดนะัมปาเดธาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดคืออันนี้เป็นประฉิมโอวาทเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัดและก็ไม่พูดอะไรอีก ต่อไปนอกจากนั้นจากนั้นพระองค์ก็เงียบทศนี้ในขณะที่เงียบนะ่ะพระสงฆ์ก็ต้องเป็นห้าร้อตั้งอุบาสกอุบาสิกาที่ห้อมล้อมอยู่อยู่วงนอกพระสงฆ์เฉพาะพระสงฆ์ก็ห0 0อยกว่าแล้วต่างองค์ก็ต่างนิ่งเงียบพระพุทธองค์ก็เงียบเพราท่านจะปรินิพานนนะ่ะท่านก็จะปล่อยลมว่างั้นนะ ตอนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าเงียบพระพุทธองค์ก็เงียบพระสงฆ์ก็ถามท่านพระอนุรุตพระอนุรุตทะนี่ได้รับเอทัตคะจากพระพุทธเจ้าวา่าเป็นผู้นิรุตติปฏิสัมพิทาญาณคายๆวา่ารู้จิตใจของคนอื่นคนอื่นคิดอย่างไรพระอนุรุตทน่นเี่เป็นได้รับเอทัตคะแต่ไม่ใช่องค์เดียวนะมีหลายองค์พระอรหรันต เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตสามจำพวกนี่สามารถที่จะรู้เรื่องต่างๆได้เป็นเสียตพระอารหันตุขวิปัสสโกพระอรหันต์มีอยู่สี่จำพวกนะสุขวิปัสสโกนี่รู้แต่ว่าตัวเองหมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแปลว่าก็จบแต่พระอรหันต์อีกสามจำพวกนั้นเป็นผู้มีภัญญาสมาบัต รู้อดีตรู้อนาคตรู้จิตใจของผู้อื่นแสดงสามารถที่จะแดงฤทธิเดชได้แต่นี้พระอนุรุตที่เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าลูกผู้น้องพระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นด้วยท่านเป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าท่านอนุรุตพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วยังไหมพระอนุรุตท่านบอกไปยังเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์กําลังเข้าอยู่ฌานนี้พอท่าน ปลินิพา น, น, นก็เข้าผสมมชานหป่อสมมชานตุติจชานตาติจชานจัตุทัจานาาไล่ไปฌานที่สี่ที่ห้าที่6ที่7จดจนถึงสัญญาเวทะิตะนิโรธสมาบัตย้อนกลับลงมาอีกอพระอนุรุทธะแจ้งให้พระสงฆ์ทราบตลอดว่าขณะนี้พระจิตของพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในฌานนี้ อยู่ในฌา like นนี้อยู่ในสมาบัตินี้อยู่ในสมาธินี้ลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่ห้าพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่สกับฌานที่หไม่อยู่ในฌานใดฌานหนึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่4ี่กับฌานที่ห้าอันนี้ก็คือพอปรินิพานแล้วอนุรุทธะก็บอกว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว หมดสมมุติโดยประการทั้งปวงเหมือนกับ น, นกบินในอากาศไม่มีรอยอีกแล้วผ่านไปแล้วกับหารอยไม่เจอหาเรื่องราวไม่เจอเพราะจบไปแล้วสมมุติทั้งหลายเทียบไม่ถึงละเข้าไปสมมุติไม่ได้ละจิตอันบริสุทธิ์นั้นจิตไม่มีเชื้อคือราคะโทสะโมหะจิตบริสุทธิ์แล้วหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงนะ อันนี้ก็คือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตรรู้แล้วว่าท่านได้ปรินิพานมีคนรู้ได้ทั้งด้าน จ, จิตใจเพราะนั้นมาถึงยุคของครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านจะรู้ได้ด้วยกลุ่มของท่านพวกเราเมตคาดเดาท่านเองแล้วก็ฟังคําจากครูบาอาจารย์ จะเอาอะไรนักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นของบริสุทธิ์เป็นของละเอียดวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพิสูจน์ได้พิสูจน์ถึงรูปประธรรมเท่านั้นพิสูจน์ได้แต่ถึงรูปประธรรมส่วนนามธรรมพิสูจน์ไม่ได้นามธรรมคือใจตัวรู้นะ่ะพิสูจน์ไม่ได้รู ป, ปรธรรมพิสูจน์ได้ คือรูปธรรมคือพิสูจน์ได้คือสมองสมองคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรปุงเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ได้แต่ว่าใจที่มาใช้สมองนั้นพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วท่านรู้แล้วเพราะนั้นพวกเราอยากจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนต้องพยายาม นั่งสมาธินั่งสมาธิทำจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่าให้จิตปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้จับกับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งให้นิ่งอยู่กับกรรมฐานนั้นจากนั้นก็นั่นแหละจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วถึงอัปปนาสมาธิแล้วนั่นแหละเต ญาณทัศนะอันใดอันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นถึงจะไม่ญาณไม่เกิดขึ้นสมาธิเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนตายนั่นแหละไห้พวกเราท่านทั้งหลายอยากจ ะ, ะพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนาให้พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองวันนี้ญาติโยมทั้งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เก่าแก่ ลูกหลานได้มาทําบุญวันนี้ทําทบุญอุทิศส่วนกุศลจะตามไม่จริงการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกของหลานของพวกเราทุกคนอย่างหลวงพ่อเองก็เหมือนกันปีหนึ่งกับมีการทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเพราะเราคือส่วนหนึ่งของพ่อแม่ คือร่างกายของเราเราได้มาจากพ่อจากแม่อันนี้เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงเรามาเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเราก็ไม่รู้จะส่งเงินไปให้ท่านดูแลบํารุงรักษาท่านอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าครัท่านก็บอกเอาไว้ว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกลูกทุกคน เมื่อพ่อแม่ลวงลับไปก็ไม่มีทางอื่นที่เราได้สดแสวงหาทรัพย์มาได้ก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอุทิศไว้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ท่านก็จะได้ใช้บำรุงวัดวาศาสนาจากนั้นก็จะได้เผยแผ่เผยแพร่ธรรมะให้แก่ประชาชนชุมชนสังคมถ้าหาว่าโลกของเราขาดธรรมะไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจโลกของเราก็เจอะ เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าว่ามีพระสงฆ์เผยแผ่ธรรมะแนะนาธรรมะศีลธรรมให้แก่ชุมชนสังคมอยู่ชุมชนสังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างองค์หลวงตาของพวกเรานี่จากนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่พวกเรารักเคารพนับถือหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศที่ท่านได้เผยแผ่ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีคุณประโยชน์กับ ชุมชนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกไม่ใช่น้อยเหมือนกันทำเล็กธิดของท่านเรานํามาคิดนํามาพิจารณาดูแล้วก็มีประโยชน์เออเอามาปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเราทั้งคดีโลกและคดีธรรมทั้งปรับปรุงทั้งใจของเราด้วยใจเราควรจะคิดอย่างไรกายวาจาของเราควรจะทํำยังไงควรจะพูดอย่างไรก็อยู่ในทำเล็กคิดของ ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้พวกเราได้รับรู้รับทราบอันนี้ก็นับว่าเป็นมหากรุณาที่คุณอย่างยอดยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราอันนี้ก็คือการทำบุญส่วนท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับเมื่อเราทำบุญอุทิศให้แล้วท่านจะได้รับหรือไม่ อันนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ว่าที่ญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราวงศ์สกนาญาติของเราท่านผู้ใดก็าตามเข้าข่ายที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่นอกจากนั้นไม่มีส่วนที่จะมารับได้คือนอกเขตจ่ายของไปชนีว่า ง, งั้นเถอะถ้าว่าท่านเกิดเป็นมนุษย์อาหารของมนุษย์การเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ไม่ได้รับ แต่ว่าเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้บางทีท่านอาจจะมีความรู้สึกเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจลักษณะอย่างนั้นคือเมตตาของเราแต่ท่านไปสู่สวรรค์ท่านกลมมาได้รับแต่ถ้าว่าวิญญาณของท่านไม่ไปไหนไปไหนยังไม่ได้ใครว่ายังวกปนเวียนอยู่กับวงสาคนายาตยเป็นห่วงนั้นเป็นห่วงนี้แต่ท่านไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญกุศลที่จะพาไป ยังติดขัดอันใดอันหนึ่งอยู่อนี้ทางบ่าพวกเราทําบุญอุทิศไว้ในพุทธศาสนาเราอุทิศน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลเออของดวงวิญญาณปู่ย่าตายายของพวกเราให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเถอนน้อมจิตอุทิศให้ท่านก็จะรับส่วนบุญกุศลต่อไปเหมือนกับเปรตพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างในครั้งพระพุทธเจ้า เปรตพระเจ้าพิมพ์ิสานก็ล่องลอยหาจุดไม่ได้แต่พอพระเจ้าพิมพิสาน อ, อ, อุทิศส่วนกุศลให้เปรตตอนนั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปอันนี้ก็พวกเราอยู่เบื้องหลังไม่รู้ว่าญาติพี่น้องของเราในอดีตชาติเป็นอย่างไรในปัจจุบันชาติเป็นยังไงหลายภพหลายชาติที่เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่เพราะนั้นญาติพี่น้องของพวกเราอาจจะมีตกทุกข์ได้ยากอยู่ เพราะนั้นท่านจึงว่าพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือพบแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งสั่งสมบุญแหล่งสั่งสมสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นเมื่อเราได้มาเจอมาพบพระพุทธศาสนาได้ทําบุญในพุทธศาสนาแล้วก็ทําบุญอุทิศส่ศสนวนกุศลให้ก็แจกเงินแจกทองให้แก่ญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ให้มีความสุข ด้วยการทุกๆ ท, ท่านเทินนะอันนี้ก็คือการทําบุญนะแต่ถ้ า, บาพบบางชาติเราไปเกิดไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างกุศลอะไรแปลว่าชาตินั้นก็เป็นชาติที่เปล่าประโยชน์แต่ถึงยังไงก็เถอดทางว่าท่านเหล่านั้นมีสันดอนมีสันดานมีอุปนิสัยเก่าเขาก็ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ดูแลพ่อแม่ของเขาด้วยความรักเคารพนับถือ การปฏิบัติพ่อแม่เนี่ก็เป็นไปสู่สวรรค์ได้ท่นานบอผู้ที่ปฏิบัติบิดามารดาพร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้เพราะว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตริดาเพราะนั้นเราจะไปพูดทีเดียวว่าเขาไม่ได้เกิดในพุทธศาสนาแล้วเขาจะไปตกนรกหมกไหมทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่ามีสันดอนสันดานเรื่องบุญเก่าของเขาเขาจำนึกผิดํำนึกถูกในใจของเขาได้อยู่ เขาพร้อมที่จะบำเพ็ญกุศลในภพชาติของเขาา น, นนั้นได้แต่บางคนบางอันนั้นก็มีกิเลสเข้ามามัวเมาเข้ามาแล้วก็ลุ่มหลงงมงายไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอั น, น้นเพราะนั้นพวกเราเวลาทาบุญทุกครั้งนะขอผู้ข่ายเกิดพบใดชาติใดจะได้ลุ่มหลงมัวเมาขอให้มีสติสมบูรณ์ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้บำเพ็ญกุศล ศีลทานบา ร, รมีตลอดทุกภพทุกชาติไปอันนี้ก็คือความปรารถนาจะได้หรือไม่ได้ น, นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าความตั้งใจนั้นความมุ่งมั่นนั้นอธิษฐานในจิตใจนั้นอันนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านก็ปรารถนาถึงยังไงขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนคือมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจฮะ ก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่น้อยมากน ะ, เ, ะเพราะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยที่จะได้สําเร็จเนี่ยแบบเป็นล้านก็คงจะหนึ่งหนึ่งต่อล้านก็คงจะยากที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านไม่ได้จะเสียหายแม้ก็ไม่เสียหายท่านก็เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าบางังเป็นพระหานสาวกบงังโดยมากจะลองลงมาลักษณะอย่างนั้นแต่ความมุ่งหวังนั่นก็คือสูงเอาไว้ว่างนั้นแต่อันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะั่นะ ปลาถนาอยากจะเป็นคนดีจะผิดไปที่ตรงไหนเราอยากจะเป็นคนดีไปพบใรชาติดีข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะทำดีเขาจะข้าพเจ้าจะพูดดีข้าพเจ้าจะคิดดีข้าพเจ้าจะพบในสิ่งที่ดีด้วยเหตุด้วยผลนะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผิดที่ตรงไหนถ้าว่าปลาถนาเกิดพบใดขอให้ข้าพเจ้าช่วยชาลามกถูกชาติเออผิดนั้น ถ้าแค่คิดอย่างงั้นผิดงั้นเถอะถ้าปรารถนาคุณงามความดีและมีแต่ความสุขความเย็นใจนะวันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราได้มาทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาและก็ขอให้บุญกุศลที่เราทําไว้ดีแล้วนี่จงประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาและตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พร ยะถาวาริวาหะปุร